Thank you.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 ผู้อื่นได้ซึ่งรวมไปถึงผู้ที่ลงลับบุญอีกความหมายหนึ่งก็คือสิ่งที่จะช่วยคำจุนหนุนส่งให้ประสบความสุขความเจริญอย่างที่หลายคนเนี่ยทำบุญก็หวังว่าหรือเชื่อว่าจะทำให้เกิดโชคเกิดลาบทำให้เกิดความมั่งมีสีสุขทำให้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 เวลาเราให้ทานเนี่ยเราให้ทานนะแล้วก็นึกถึงแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับ <c oughs> เรียกว่าปฏิคาหกนะผู้ให้นี้เราถายยกนะเวลาเราให้ทา น, เ, นเราก็นึกถึงแต่ประโยชน์ของผู้รับขอให้เขาได้รับอ า, อ, าอาหารนอาหารที่เราถวายก็ขอให้เขาได้นะ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 ก็คื อ, อยังปรารถนาจะให้คนชมหรื อ, อยังปรารถนาอยากได้หน้าได้ต า, าถ้าทำบุญด้ว ย, วยกิเลสเนี่ยนะบุญที่เกิดขึ้นกับใจเราก็จะน้อยนะหรือบางคนเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทำแล้วได้บุญไหมหรือว่าทำไ ด, ได้บุญมากหรือน้อยเดีย๋ยมีคนหนึ่งสงสัยนะว่าเนี่ยเขาได้ซองกระถิ่นมานะ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 พอถวายเสร็จเสร็จพิธีก็สงสัยว่าเราจะได้บุญหรือเปล่านะเพราะเราไม่ได้ถวายผ้าด้วยมือของเราอันนี้เป็นเป็นความเข้าใจเรื่องบุญที่ค่าดเคลื่อนมากคือเข้าใจว่าต้องถวายกับมือนะให้ผ้ากระถินนะ่นถึงจะได้บุญที่จริงเนี่ยไม่ได้ถวายกับมือนะแต่ว่าเป็นเป็นหัวเรียวหัวแรงนะจัดงานทอดกระถิน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 ปรารถนาจริงๆเนี่ยก็ได้บุตแล้วนะเพราะเห็นนี้แหละนะพระเจ้าจย์ตัดว่านเนี่ยการให้การให้ทานเนี่ยนะมีอนิสงส์น้อยกว่าการรักษาศีลและการรักษาศีลก็มีอนิสงส์น้อยกว่าการภาวนาใ น, นบางที่เขาตัดไว้ว่านเนี่ยแม้ว่าจะให้ทานเป็นอาหารนะถึงสามร้อยหม้อนะ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 บางทีทาไปก็งุดหงิดไปนะถวายทานหรือว่าเป็นเจ้ากิ่เจ้าการจัดผ้าป่าท่อกรินนะก็งุดหงิดนะอันนี้ก็ให้รู้ว่าอาบุญมันก็ตกหล่นหายไปแล้วนะเพราะว่าไม่รู้จักทําใจให้ให้ให้สงบด้วยเหตุ น, นี้เนะี่ยเวลาเวลาจะมีพิธีสังฆทานเนี่ยนะจึงมีพิธีกรรมก่อนหน้านั้นนะเช่นะนะนะ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 เป็นเครื่องตะเตรียมช่วยให้ใจสงบก็มีการกล่าวคำกล่าวใตสรณาคมนะพุทธังสรนังธรรมังสรนังแล้วก็รับศีลนะการรับศีล น, น, นอกจากจะเป็นพิธีกรรมที่ทำให้ใจสงบไม่ว้าวุ่นแล้วถ้าว่าเรามีเจตนาที่จะรับศีล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 ต้องเจริญในทานแล้วก็รักษาศีลด้วยฝรั่งเนี่ยเขาสนใจแต่ภาวนาอย่างเดียวเลยนะทานนี่ไม่ค่อยสนใจบางทีศีนก็ไม่ไม่ค่อยเอาเท่าไหร่สมัยที่ตมาไปวัดอมารดีที่ประเทศเอังกฤษเนี่ยวัดอมารดีนี่มีฝรั่งมาภาวนาเยอะมากนะแล้วเขาชอบด้วยเพราะว่ามาภาวนาที่วัดอมารดีเนี่ยไม่ต้องเสียงเงินมีอาหารกินสิอีนะเช้ากลางวัน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 เพศสัมพันธ์แบบอิสระเสรีนะไม่ฆ่าสัตว์ก็ได้นะบางคนเนกินเจเป็นมังสวิรัติไม่ขโมยก็โอเคก็ได้นะแต่ว่าสิ่งข้อสามนี้นะขอขอไม่รับนะเพราะว่ายัางอยากจะหาความสุขทางเพศอยู่ยังอยากมีความสุขแบบไม่มีพันธะนะสุขแบบเสรียอยากจะไปหลับนอนกับลูกเมียใครหรือลูกผัวใครก็ก็จะได้สบายใจว่าเออเราไม่ได้รับสี่งข้อนี้ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้ว่าเนี่ยเราจะาภาวนาแต่ว่าละเลยเรื่องทานเรื่องศีลก็ไม่ได้ขาเดียวกันนะเราจะาขยันให้ทานนะแต่ว่าไม่สนใจรักษาศีลก็ไม่ถูกหรือว่าให้ทานรักษาศีลเไม่สนใจภาวนาก็ไม่ใช่มันต้องทำให้ครบถ้วนไปด้ว ย, วยไปด้วยกัน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 เห็นแจ้งในในไตลักษ์นะก็บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีหรืออย่างพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยพระเจ้าก็มาเสด็จมาดูแลนะแล้วก็มานําจิตใจของของพระเจ้าสุโธทนะซึ่งเป็นพระบิดาจนกทั้งท่านได้เป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นตัวอย่างว่าพระเจ้าเนี่ยนะพระงก็ไม่ได้แค่ส่งบุญมาให้หรือว่าแผ่เมตตาพระองคมาช่วยด้วยพระองค์เองเลยนะดูแลทั้งทางกายแล้วก็ดูแลทางใจ ไอ้าชาวผู้เราเนี่ยก็ต้องน่าจะเอาพุจธาเป็นแบบอยา่างไม่ใช่ว่าจะหลีไปภาวานานะแล้วก็เอาแต่ส่งบุญมาให้พ่อแม่อันนั้นมันไม่ถูกต้องไอ้ถ้าเราทำบุญนะอย่างถูกต้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทานเศีภาวานาก็ตามเนี่ยให้เรามั่นใจนะว่ า, าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันคือบุญนะได้ไม่ว่า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 จะมีผลตอบแทนเป็นรายได้เป็นเงินเป็นชื่อเสียงหรือว่าเป็นตำแหน่ง น, ะนั่นอีกเรื่องหนึ่งมักคือว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีนะมักจะมีคาพูดบอกี่ยทำดีไม่ได้ดีถามว่าไม่ได้ดีเขาคืออะไรก็คือไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่มีคนยกย่องนะเจ้านายไม่เห็นความดีของเรานะแล้วเคยเขาเคยรู้สึกว่าทำดีแล้วมันขาดทุนอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่อง